คือสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตความสูญเสียความพัดพรามันเกิดขึ้นกับทุกคนนอกเหนือนจากความเจ็บความป่วยและที่แน่นอนอย่ยา น, นก็คือความตายไม่ว่าเรามีอะไรจะเป็นคนสาตว์สิ่งของมันก็อยู่กับเราได้เพียงชั่วคราว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 เนะตือนใจนะให้ตระหนักว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดานะเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความพัดผ้าสูญเสียเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาถึงเวลาเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความพัดผ้าสูญเสียหรือแม้กระทั่งเจอความตายใจเราก็ไม่ทุกข์เพราะว่ายอมรับแล้วก็ตระหนักถึงความจริงจริงๆถ้าเรา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 แต่จริงคือการเปลี่ยนสภาพนะจากก้อนน้ำแข็งกลายเป็นน้าก้อนน้าแข็งมันคืนกับไปเป็นน้าในแก้วคนเราถ้ามองอย่างนี้เนี่ยนะมันไม่มีความตายนะและมันก็ม่มีผู้ตายด้วยนะถ้าเราปฏิบัติธรรมนะจนกระทั่งถึงขั้นที่เห็นว่ามันไม่มีตัวกนะูไอ้ที่คิดว่ามีตัวกูนี่มันเป็นมายาภาพที่